มรรมของพระพุทธเจ้าท่านปลูกสัตว์โลกตื่นมาโดยลาดับลาดาแต่มาปลูกพวกเราทำไมจึงไม่ตื่นกันนี่เป็นเพราะอไรเพราะความหลับสนิทมากไปตามธรรมดาคนที่หลับสนิทมากไปนี้ปลูกตื่นได้ยาก คนไม่ค่อยหลับสนิทนีตื่นง่ายแล้วคนมีสติพออะไรมาสัมผัสก็ตื่นทันทีมีสามประเภทห้าสร้างคังตบูเทสินี่ตบพทธทเจ้าท่านตลุกสงู่ใหญ่ให้ตื่นขึ้นเป็นหลักสงู่ใหญ่ก็พระสงฆ์สาวกอรหัตทั้งอรหันทั้งหลายนั่นเอง ล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการปลูกจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเมื่อพระองค์ปลูกพระองค์ได้ตื่นเต็มพระทัยแล้วก่อนนำทำเครื่องปลูกพระทัยให้ตื่นขึ้นนั่นมาปลูกบรรดาพระพุทธบริษัททั้งหลายมีพระสงฆ์สาวกเต็มต้นจนได้ตื่นมาโดยลำดับลำดา ตื่นจากหลับความหลับก็คือความลุ่มหลงไปในสิ่งต่างๆไม่มีวันมีคืนมียืนเดินนั่งนอนทุกียาบททุกเวลาเวลาเป็นการหลับอยู่ด้วยความลุ่มหลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการปลุกที่จะให้ตื่นจากความหลับคือความลุ่มหลงนี้จึงเป็นการปลุกได้ยากไม่ห น, น้ําเจ้าตัวก็ไม่อยากจะตื่น ยังอยากจะสลับชนิดไปด้วยความรุ่มหลงนั้นเรื่อยๆไปไม่เคยเห็นโทษของมันแล้วจะปลุกตื่นขึ้นได้ง่ายอย่างไรธรรดาพระสงฆ์สาวกท่านพร้อมแล้วที่จะตื่นบางท่านบางองค์ก็เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ออบประพฤติปฏิบัติเป็นฤาสีดาบทอยู่ตามป่าตามเขาบำเพ็ญทรด ธ, ธรหมจรรันทร์ พระเพศอย่างนักบวชเป็นพระ อ, อย่างเรานี้ไม่มีในครั้งพุทธก่อนพุทธกาลจึงบวชเป็นฤาษีดาบดกันดังพระเป็นจวัวคีทั้งห้ามีพระอัญญากลทัญญาเป็นต้นก็ล้วนแล้วตัง้งแต่เป็นนักบวชถ้ดินพันสามร้อยคนก็เป็นนักบวชพวกสนชยัยคือพวกพระสารบุตรพระโมกขันลาที่ออกจากสำนักสนชัยก็เป็นนักบวช เป็นปริภาโชคปริชาภาชีอะไรก็แล้วแต่ความเห็นน้องตนว่าจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความสงบ จ, จิตใจเพราะไม่มีครูเมียอาจารย์เป็นแบบเป็นธมบัรถ้าสอนแนวทางนำเนินงจึงต่างคนต่างคิดได้ในแง่ใดก็ประพฤติปฏิบัติตนไปตะเกี่ยวตะกายไป ต, ตามความสามารถ ผู้ใดมีความร่วมสายในสำนักใดก็ไปสู่สำนักนั้นฝึกอบรมกับครูกับอาจารย์นั้นๆซึ่งรวนแล้วตั้งแต่เป็นสำนักปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อความร่มเย็นเป็นจุเพื่อความพ้นทุกข์ตามลัทธิของตนของตนาการที่ท่านทําเช่นนั้นเรียกว่าท่านได้เริ่มโพ้เถียงไทยแห่งความหลักอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้แนะนําสั่งสอนท่านจึงตื่นขึ้นทันทีทันใดก็มีลองลําดับลาดากันก็มีผู้ที่ตื่นในทันทีทันใดก็ได้แก่ประเภทอุคติตันอยู่ผู้ที่รู้ทำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเช่นพระสายบุตโมกขันลาภหรือพระอัญญากรลัญะเป็นต้นนี่คือผู้ที่พร้อมที่จะตื่นอยู่แล้วแต่ประเภทอุคติตันอยู่ที่รู้ทำได้อย่างรวดเร็ว วิปจิตันดูก็ลองลำดับกันลงมาในยะก็ได้จาก่ผู้ควรแนะนําสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนดังเราเราท่านท่านปลูกตนเองนอกจากครูวา่าอาจารย์ท่านแนะนําพัฒน์สอนโดยวิธีปลูกอย่างหนึ่งแล้วเราก็นําธรรมะท่านที่ได้ศึกษาอบรมจากท่านแล้วมาปลูกตนด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาก็เกิด ความแปลกประหลาดคือเป็นผลขึ้นมาจากทางด้านปฏิบัติของเราเป็นลําดับลานาเริ่มแต่ความสงบเย็นใจก่อชื่อว่าค่อยตื่นเห็นเหตุเห็นผลจากอาธิธรมไปเรื่อยๆความขยันหมั่นเพียรก็ค่อยปรากฏเป็นขึ้นมาโดยลำหนักนี่เรีออยกว่าปลุกตน้นเราที่มันหลับสนิทก็พยายามปลุกหลายครัง้งหลายหดหลายหนขย่าวหลายครั้งแลายหนมันก็ตื่นขึ้นมาเองเพราะไม่ใช่คนตาย ถ้าเป็นคนตายแล้วจะเอาไฟไปปลุกมันก็ไม่ตื่นเพราะมันตายแล้วจะหาอะไรมาตื่นความตื่นความรู้ความรับรู้ไม่มีอยู่ภายในร่างจะหาอะไรมาตื่นเราเป็นบุคคลที่ควรจะตื่นได้อืจากการปลุกเราต้องเตือนตนของเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงหลับเพราะอยู่ในทํากลางแห่งกิเลสจะไม่หลับได้อย่างนั้นกิเลสกอมอยูอ่ตลอดเวลาไม่หลับได้เลย ต้องหลับแต่ทำไมพระองค์ท่านตื่นได้ล่ะกะ็เพราะการตรุกไม่ใช่ตื่นเราเฉยๆตื่นด้วยการปลุกการเตือนพระองค์เองถึงทรงลํำพึงต่างๆดังตามตามดังตาราท่านว่าไว้ก่อนที่จะทรงสเสด็จออกบรรพรชาบวชเป็นแล้วบวชเพื่อบำเพ็ญพศให้ปรากฏองค์เป็นพระกาัสดายในโลกทราบในประวัติว่า ท่านเสด็จออกเพี่ยชมพระนครไปวันแรกประสบอันนั้นไปวันที่สองประสบอันนี้แล้วทรงนำมาคิดเดิมนะ่ะไปเรื่องแรกก็ไปทอดพระเนตรคนเกิดเด็กตัวดแดงๆที่มันเกิดดิ่งอยู่ในถนนตามถนนนู่นทางมันเรื่องอะไรเนะี่ยเพราะคนที่รอจะตื่นอยู่แล้วเห็นเด็กซึ่งเป็นเทวทูต ึงเป็นเรื่องศัจธรรมก็ทรงนำมาพิจารณาถามนายสารถีขับรถวันนี้มันอะไรสารถีขับรถก็กระกราบทูลว่านี่คือเด็กเพิ่งเริ่มเกิดเป็นอย่างนี้พอไปเห็นนั่นก็ทรงเกิดความโกรดสังเวชแล้วมาเสด็จต่อไปที่ไหนอีกเสด็จกลับไปแล้วทรงนำเรื่องเราความเกิดของเด็กนี้ไปพินิจพิจารณา เสด็จไปวันต่อไปก็ไปพบคนแก่เนี่ยงบกเงนินงินก็ทรงสะดุดพระทัยอีกเพราะเป็นเรื่องศัจธรรมเหมือนกันต้องนำมาพินิศพิจารณาอีกคืณเสด็จกลับทุกทีพอไปเจอเหตุกบบนั้นขึ้นมาเสด็จครั้งที่สามก็ไปเจอคนตายอีกแล้วมันเป็นยังไงอย่างนี้มีคนตาย คนตายเป็นอย่างนี้หะหาวิญญาณไม่ได้ทิ้งโดยอย่างนี้เองหมดสาระแก่นสารอะไรทั้งสิ้นก็ทรงนำไปพิปจารณาอีกวันคำลบสี่ก็สเสด็จอีกก็ไปเจอสมณะคือนักบวชอ่าเนี่ยเป็นเครื่องจูงกันไปเริ่อยดับที่แรกก็ไปพบอุปสรรคอันตรายต่างๆสุดท้ายก็ไปเจอที่ยุดนี่คือสมณะ ก็ทรงนําเรื่องทั้งสี่เรื่องนี้เข้ามาเป็นธรรมเทศนาประกาศสัจธรรมกลางวานอยู่ในพระไทยของพระองค์ไม่ทรงหยุดยัง้งเกิดความเบื่อนหน่ายในความเป็นอยู่ในการปกครองบ้านประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความลําบากผลสุดท้ายก็ต้องตายไปด้วยกันไม่มีใครจะหาจผลเอาชิ้นใดไปได้และนอกจากนั้นแล้วก็ไม่ศาสจะไปเกิดใน แห่งผลตำบลใดพบใดชาติใดกําเนิดใดซึ่งเป็นของไม่แน่นอนเลยเราก็อยู่ในข่ายของความไม่แน่นอนนี้เช่นนี้เหมือนกันแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อความแน่นอนก็มีเต็มอยู่ในภยนายในจิตใจของเราเราจะปลดเปลื้องความไม่แน่นอนนี้ให้เป็นความแน่นอนขึ้นได้อย่างไรคำที่ว่าที่พึ่งของเราก็ยังไม่ปรากฏแล้วเราจะหาที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เป็นที่แน่ใจได้อย่างไรทรงสนพระทยในเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้ ด้วยการนำพึ่งจนผลสุดท้ายก็เสด็จออกทรงผนวดก่อนจะเสด็จออกทรงผนวดก็มีบรรดลบรรดาลให้นักสนมบริวารทั้งหลายแสดงอาการต่างๆเหมือนกระป่าช้าผีดิบในพระราชวางังมองดูไปไหนเสียงดังครอกแขร ก, ขกไม่หล่บเมาสาวเสียงโกนเสียงกัดลิ้นกัดฟันอะไรแหละเป็นไปหมด นี่ก็ยิ่งเห็นชัดอีกว่าคนยังไม่ตายมันก็แสดงปัดห้าให้เห็นอยู่แล้ว น, นี่ทำไงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเลยมันไม่น่าอยู่ที่นี่กัง บ, บนวุ่นวายแล้ ว, ลวก็ตัดสินพระไทยอ่ะที่จะเสด็จออกทรงผนวดถ้าจะเข้าไปชมพระราชโอรสคือพระราหุนก็อยู่ในพระอุระคืออยู่ในหัวอกของพระนางปิ่นพารยโสตราซึ่งเป็นพระชายา หาจะไปสัมผัสเด็กเดี๋ยวแม่เขาจะตื่นเมืม่อแม่ตื่นแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรพชาของเราทำอย่างไรดีอ่ะการไม่ไปแตะต้องการไม่ไปเกี่ยวข้องนั่นแหละดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกบวชของเราเนี่ยตัดสินพราองค์ลงในแนีนี้เลยเพือะเป็นอันว่าเสด็จออกไปเลยไม่อำลาใครๆให้รากทางนั้นเรียกทรงเรียกนายฉันมากสิบให้เตรียมมะ การทกะพาเสด็จออกพนวดแล้วก็ไปถึงแม่น้ำนรันชลาไปตัดเข้ามลีที่นั่นทรงถือเพศเป็นนาบวชมาการทกะที่มีความจงรักภักดีในเจ้านายของตนก็เกิดความอัดอั้นตันใจโกรกแต่ตายไม่สามารถที่จะกลับมาได้เลยเพราะความรักก็มีนายฉันเป็นผู้ นำข่าวมาทูลพระราชบิดายุพยาดพระวงค์ทั้งหลายให้ทราบว่าศิริสตาราชกุมารได้ออกไปแล้วทตามแต่คืนวันั้นวันนั้ น, น, น, นได้ทรงพรนวดแล้วในสถานที่นั้นแล้วส่งตนกลับมาเพื่อจะทรงให้ทรงข่าวท่งข่า ว, าวบรรดาพระญาติพรงค์ได้ทราบไม่ให้ใครเป็นแต่อะไรเสียดายไปกังวลกับพระองค์ ในเสด็จออกไปสู่ที่สะดวกสบายแล้วนั่นฟังซิเสด็จจากความเป็นประชาันธุนดินที่มีหรูหราอะไรทุกสิ่งทุกอย่างชมกับฐานะแห่งความเป็นพะชาันธุ์ดินออกไปสู่ความเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งที่พาอาศัยอะไรไม่ได้ทำไมจึงว่าเป็นความสะดวกสบายแล้วไม่ต้องกังวลกับพระองค์นนี่ก็คือความพอพระถ่ยในการที่จะปลดครื้งพระองค์ปลกพระองค์ให้พ้นจากความหลับคือโมหะ เครื่องครอบจิตใจของสัตว์โลกให้เย็นว่าตายเกิดในวัฏสงสารเผื่อจะถึงผลิพานด้วยการบำเพ็ญเพ็นพุทธพ ม, มจันรย์โดยทางพระสติปัญญาของพระ อ, องค์นั่นเองแล้วทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่เช่นนั้นโดยแม่คำหนึ่งถึงใครๆถึงความลำบากลำบนด้วยปัจจัยทั้งสี่คือเครื่องนุ่หงห่มอาศัยบิณฑบาตได้มายังไงก็ เสวยไปตามเรื่องที่ได้มาเพราะสมัยนั้นไม่มีศาสนาเด็กข้ามสอนบุคคลให้ทราบแบบผลของทานเป็นไรของขีนเป็นไงการบริจากทานได้ผลมากน้อยเปลียนไรลใครจะเอาของดีของดีให้พระองค์สเสวยละ่ะนอกจากของเศษของเด่นหรือเขาให้ทานไปธรรมดาประเภทแห่งคนขอทานเท่านั้นพระองค์จะได้รับความสะดวกสบายมาจากที่ไหน แต่ความพอพระไทยในการบำเพ็ญพระองค์เพื่อความพ้นทุกขนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้ความหนักแน่นต่อพระองค์มากมายโดยไม่ต้องหวั่นไหวกับปัจจัยทั้งหลายว่าจะมีความขาตกบกพร่องประการใดบ้างพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ด้วยความสะดวกสบายไม่กังวลกับสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นความทุกข์ความลําบากในพระกายเพราะไม่เคยกับความสมบุกสมบันเช่นนี้ก็ตามแต่พระไทยของพระองค์ก็มีความมุ่งมั่นต่อการตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญของพระองค์เองอยู่ อย่างมั่นเหมาะอยู่แล้ว เ, เมื่อสรุปความถึงการทรมานพระองค์อย่างสมบุกสมบันก็เป็นเวลาหกปีจึงได้จัสรุนี่ปลูกตื่นแล้วทิ้งพระองค์เองพยายามปลูกพระองค์เป็นเวลาหกปีแล้ตื่นขึ้นมาถึงความเป็นศัดสดาของพระองค์อย่างเอกด้วยเป็นศัดสดาของโลกอย่างสมบูรณ์ด้วยจากนั้นก็นำธรรมะมาปลูกสาวกทั้งหลายมีเบญจวัคคีย์เป็นอันดับแรก เบื้องต้นกับ Man, Man, ตะเวเมธีเวอ ite, นันต์ปะบาติเตีนหะแท้ยิตตบาโยจะยังการเมือกรรมสุ ข, ขานิการปโยนว่าไปเรื่อยเมื่อแปลนละความออกว่าสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายบำเพ็ญ อ, อยู่เรานี้คือพระองค์ได้เคยบำเพ็ญกับพวกนี้อยู่แล้วจึงทราบเรื่องการบำเพ็ญของพวกนี้ได้ดีแล้วก็นําสิ่งที่พวกนั้นบำเพ็ญนั้นขึ้นมาเป็นให้ทราบชัดว่าการทําตนให้ลําบากเาปล่าๆก็ไม่เกิดประโยชน์อการหย้อนยาน ก็ไม่เกิดประโยชน์การเคร่งคัดซึ่งหาเหตุหาผลหาลักเกณฑ์ไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์มีมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นที่เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งจึงได้ยกมัชฌิมาปฏิปทาตะท่ากเตนอภิสัมบูธาจักขูกรณียานะกณีอุปสมายะอภิญญายะสัมบูธาอนิบาลายะสร้างวัตติมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่อะไรก็ยกสมาธิสัมมาสังโฆ ขึ้นเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่และคือธรรมที่เหมาะสมเป็นทางมัชชิมาคือเป็นทางสายกลางไม่เองไปทางอัตต์กิลมัฏานโยคไม่เองไปทางกามสุขานิการโยคนี่เป็นทางสายกลางเหมาะสมต่อความแจกรู้โดยตรงเโชกแสดงในธรรมนี้ขึ้นมาแล้วธรรมเหล่านี้ เมื่อเราได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วจะเป็นไปเพื่อเพื่อนี่ต้องบอกจะขูกกัญยาจะเป็นไปเพื่อจักสุญานญ า, น า, กาณกัณฐอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบราบภาพอภิญญายะเป็นไปเพื่ออภิญญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งสิ่งภายนอกภายในสัมโบธายะเป็นไปเพื่อความตรักสู้นิบานายะเป็นไปเพื่อความดับสนีทแห่งขีเถื่ทั้งหลาย สังวัตติสังวัตติเรื่อยเลยด้วยมัชฌิมาปฏิบัตานี่แหละทำเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนเราจะไม่เคยรู้เคยเห็นทนั้าเรียว่าปุ๊บอารมณ์อะไรที่ว่าในนั้นว่าตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เคยเห็นมาบัดนี้เราได้รู้ได้เห็นแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิบัตานี้เองในธรรมทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะแสดงทําให้ฟังก็แสดงเรื่องนมัชฌิมาปฏิบัติารื่อยไปโดยลําดับทุกเป็นยังไงทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมารค่ะอาริยสัจจังคืออะไรเนี่ยตั้งแตบอกทุกขังก็คือความทุกข์ภายในกายในจิตนี่แหละไม่เลยทุกที่ไหนร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็แสดงความทุกข์ให้เจ้าของได้รับจิตใจได้รับอารมณ์อันใด ที่เป็นพิษเป็นภัยก็สแสดงความทุกข์ให้เจ้าของได้รับตนเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดมีอยู่เสมออันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ให้กําหนดทราบเรื่องของมันมันทุกข์อย่างนี้ความเบียดเบียนมาเบียดเบียนตนอย่างนี้เบียดเบียนจิตใจอย่างนี้มัทับผมจิตใจของเหล่านี้ให้รับความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจเช่นนี้ให้ทราบว่านี้คือทุกข์เนี่ยแล้วทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากไหนมีสาเหตุที่จะต้องเกิดมาทุกข์เพืจะเกิดขึ้นมาได้ท่านก็ยกขึ้น ถึงเรื่องสมุทยัยการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาท่านบอกการตัญหาคือความคไายความชอบใจในสิ่งวัตถุทั้งหลาย ต, ต่างๆโดยลําดับลําดาท่านก็เรีย ก, กตัญหาคือความบกพร่องความหิวความกระหายความหิวความกระหายนี่แหละเป็นเครื่องสั่งสมคุกขึ้นมาเพราะมันต้องส่อต้องแสวงด้วยความหิวของตนน่ะถ้าไม่หิวแล้วมันก็ไม่แสวง เมื่อมันผิวแล้วมันก็ต้องแสวงการแสวงมันไม่ใช่แสวงด้วยสติปัญญามันแสวงด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาจึงต้องได้แต่เรื่องของทุกความทรมานจิตใจจึงเรียกว่าสมู ท, ทยัยความหิวความกระหายเป็นตัวสมู ท, ทยัยสาเหตุที่จะทําให้ทุกข์ทรมานเกิดขึ้นทั้งภ า, ายในจิตภายใยกายแนะ่ผมอธิบายให้ฟังมันต่อเนื่องอั น, นี้ที่จะแก้สิ่ ง, งนี้ด้วยวิธีใด แยด้วยสติแย่ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปะสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกพิทิพิจนาถึงตัวเหตุคือสมุทไถ่การมาตัาหาเพราะว่าตฐาหาวิภวตัาหาทั้ง3อย่างนี้นี่แหละคือตัวสมูทไถ่เป็นเครื่องผูกมัดรัดลึงจิตใจของสัตว์โลกไว้ไม่ให้พ้นไปจากทุกได้แม้แต่ลาเดียวก็เพราะกิเลสประเภทเหล่านี้ขอให้แก้มันด้วยสติปัญญาให้พิทิพิจนาสติปัญญามีไว้เพื่อแก้จริเหล่านี้นี่เรียกมัชฌิมาเป็นทำที่เหมาะสมที่สุดในการแก้กิเลสทุกประเภทเนี่ย แสดงให้ฟังสมมาทิฏฐิสมมาสังกปกูหมายถึงองค์ปัญญาสมมาวาจาสมมากรรมันโตอังพิจารณาสมมาวาจาก้าวถ้อยคําในสันเลคาธรรมไม่กล่าวอย่างอื่นที่จะเป็นไปเพื่อสะสมกิเลสให้กล่าวในธรรมที่จะเป็นไปเพื่อรื่นเริงในต่อการแก้กิเลสทั้งหลายในสันเลขาธรรมก็มีสิประการดังเคยแสดงให้ฟังแล้วตั้งแต่นุนอภิจชตาเป็นต้น สัมมากัมมันตะท่านสอนนาวว้าบัวท่านสอนนี่หนึ่ง น, นะทำการงานชอบงานชอบอะไรงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือว่าการงานชอบนัสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเลี้ยงคีพชอบให้ระมัดระวังอารมณ์ที่จะเป็นภัยต่อ จ, จิตใจของตนเองยียานําอารมณ์ที่เป็นพิษเข้ามาเลี้ยง จ, จิตใจจะเป็นพิษเป็นภยัยและเผาลวน จ, จิตใจให้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นการสั่งสมสมุทัยขึ้นมาให้ ภายในจิตใจยังทุกข์ให้เกิดมากขึ้นโดยลําดับไม่มีที่สิ้นสุดเป็นหมายปลายทางนั่นเองเนี่ยสมาอาชีวะของนักปฏิบัติจิตินท่านย่นเข้ามาอย่างนี้สัมมาวายายมะเพียรชอบคือเพียนยังไงเพียนพยายามละสิ่งที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจคือกิเลสประเภทต่างๆที่ยังล่าไม่ได้พยายามล่าออกให้โดยได้โดยลําดับสิ่งที่ล่าได้แล้วอย่าให้มันกําเริบขึ้นมาอีกได้เนี่ยท่านสามารถประทานสีท่าน แะพยายามสั่งสมความเฉลียวฉลาดกุศ ล, ลธรรมคือความฉลาดให้รอบขึ้นภายในตัวสติสั่งสมให้มีขึ้นปัญญาพยายามพิจพิจารณาให้มีความรอบครอบขอบคิดมีความคล่องแคล่วแก้กล้ า, าต่อการแค่กิเลสอาสวัทั้งหลายทุกประเภทอย่าได้นอนใจสัมมาสติไปอยู่ที่ไหนสถานที่ใดก็ตามเอยียบทใดก็ตามให้มีสติสตังระมัดระวังความเคลื่อนไหวข่งกายวาจาใจของตนอย่าได้ลดละคนไม่มีสติเขาเรียกคนบ้าน คงมีสตินีหน้าที่การงานสม่ําเสมอทําอะไรอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะมีเจตนาแสงอยู่ด้วยเนื่องจากสติเป็นผู้ควบคุมงานเนี่ยสมาสมาธิให้มีความมุ่งมั่นตอนหน้าที่การงานของตนอย่าได้ลดลากพ้อถอยและผลจะปรากฏเป็นความแน่นหนา ม, มั่นคงขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจที่เรียกว่าสมาธิแท้น่นทําเหล่านี้แหละที่สั่งสอนให้เป็นไปเพว่ความหยุดพ้นโดยถ่ายยาทานนั้นในอย่างอื่น พอแสดงทําให้ฟังอย่างนั้นแล้วพระัญพางษ์ก็ได้ดวงตาเห็นทำขึ้นมาเป็นองค์แรกเป็นอุทานขึ้นมาว่ายังจิงจิสมุรัยจะทำมังสับบันตังนิโรธทำมัง่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีดับด้วยกันหมดนี่เป็นแสดงขึ้นมาจากความแสดงเป็นอุทานขึ้นมาจากความรู้ประจักษ์ใจคมแสดงทําให้ฟังนี้โดยเฉพาะจากนั้นในลาดับต่อไปก็แสดงอนัตตาลัคนาสูตรอนัตตาลัคนาสูตรเรื่องอะไร อันนีจังทุกความน้าตาทั้งนั้นรูปปางอันนี้จังเวทนาจ่าสัญญานิจัาเนี่ยพันว่ารูปปางพิเวอันนี้จังนะรูปปัญจจิจังพิจวีอันนี้จังทูกความพิีทั้งหลายรูปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่ศูนที่ฟังทั้งนั้นก็อันนี้จังพันเต ยามปนาจาดูข้างวาตังสุ่ข้างวาติเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุหรือเป็นทุกข์ดูข้างพันเตเป็นทุกข์ยามปนาจารย์ดูข้างวิปปิณามะธรรมังกําลังนุตังสมณโน ป, ปันสุงเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วควรนะั่หรือจะถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราไม่ควรถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราโนแห่ตังพันเตนะป้าไปโดยลำหนับจนกระทั่งถึงยืญญนยัน มีแบบเดียวกันนี้คือแสดงกระเดิมดับรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงก็ต่อกันไปเรื่อยๆจนเข้าใจแจ่มแจ้ ง, แ, งแต่ในอนตะะัตตาลคัะสูตรนี้สาหรับทางภาคปฏิบัติเรานี้เราเข้าใจว่าผู้รจนาจะรวบลัดเอามากไปนี่ตามความรู้สึกของเราเองที่ปฏิบัติรากฏว่ามันยังไงทับขว แต่ในอริยสัจปียสูตรนั้นเราไม่มีที่ค้านเรายอมรับกราบอย่างหมอบราบเลยเจ้ะอันนี้แส ด, ดงถึงวิญญาณ ว, วิญ ญ, ญาณังอันนี้จังถามพิสุททั้งหลายนวิญ ญ, ญาณนางนีจ้จจาวานิจจาวาติอันนีจนจนจน้จังพันเตคือวิญญาณนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสุททั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อไหร่ไม่เที่ย ง, ยงนะมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ เมื่อเป็นสุเป็ทุกแล้วสมควรหรือที่ถือว่านั่นเป็นตนไม่สมควรพระเจ้าข้าเพียงพิจารณาเท่านี้แล้วแล้วกับว่าคือสุทั้งหลายได้เกิดความเมื่อนานพอรู้เท่าในเรื่องขันห่านี้แล้วได้เกิดความเมื่หนานเมื่อเกิดความเมื่อนาแล้วคลายความความกําหนัดคําว่ากําหนัดคือความยินดีในทำอันละเอียดนั้นแล้วพ้นจากทุกปัยวางั้น ในอนัตตละพราหณ์สูตรจะวางกันแต่ในที่จะปริยายสูตรนั้นเข้าถึงจิตยกตัวอย่างเช่นมานะสมิงปิณิบินติทำมเมสุ ป, ปิณิบิ น, ต, บใ น, ในติเบื่อนายในจิตเบื่อนายในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากจิตเบื่อนายในธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตมันโนมิญญาณเนปิณิบินติ วิญญาณความรับทราบในระหว่างแห่งรูปกับจิตที่ปรากฏขึ้นนั้นก็เบื่อหน่ายเนียและเบื่อหน่ายโดยลํำดับในอาการในที่เกี่ยวกับจิตเบื่อหน่ายจนกระทั่งถึงจิตมันนักมิ่งปีนีบินติเบื่อหน่ายทั้งจิตด้วยเมื่อเบื่อเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนับหนํายนิบิดังวิราชติเมื่อเบื้อหน่ายย่อมคลายกำหนัก เมื่อคากำหนัแล้วจิตยําหลุดพ้นมีมุตมิมีมูตัิมีมตัมิ้ีจอะไรเมื่อวนายย่คาำหนดเมื่อคาดำหนัแล้วจิตยําหลุดพ้นมีมตัมมิ้งจนบินติเมื่อวนายจิตย่าหลุดพ้นมีมูตมิ้ิมมตัมิ้งจนิติงานนางห้อติ เมื่อจิตดุลพ้นแล้วยานความรู้แจ้งช้าเมื่อิดุลพ้แล้วย่อมมีอันนี้เป็นที่แน่ใจเป็นที่ลงใจได้อย่างเต็มที่การพิจารณากันห้าเพียงกันห้าแล้วมีความเบื่อหน่ายในันห้าแล้วจิตย่อมดุลพ้นไปเลยนั้นในทางภาพปฏิบัติเรามันรู้สึกมันอะไรอะไรชอบกลเหมือนจะขาดอะไรอะไรอยู่แต่เราก็คิดไปซะว่าการรูจนารณาในธรรมตอนนี้นั้นผู้รูจารณาน่าจะตัดออกบ้างในจุดสําคัญที่ ไม่ควรตัดถ้าเป็นอย่างอริตปฏิยายสูตรแล้วนั้นสมบูรณ์เต็มที่นี่การพิจารณาในอนัตลนตลกนัสสูตรนี่อัน ร, รูปเป็นอนิจจังผุกขังหน้าตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจกงผู้ขังหน้าตาแล้วก็มีความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วที่ก็คลายกำหนัดแล้วกำหนัดหลุดพ้นไปเลยก็แสดงว่าพายกำหนัดในอาการตั้งห้นี่แล้วก็ก็คืนเอาปิดนั้นให้หลุดพ้นไปเลยนะ ท, ทั้งๆ้ที่จิตนั้นมีอวิชชายอยู่เต็มตัวเนี่ย ถ้ามันเข้าไปมันมันเต็มที่ก็คือว่าเมื่อถึงอาการตั้งห้าที้มันเบื่อหน่ายไปหมดแล้วเป็นอะไรในจิตนั่นอีกมีอะไรอยู่ในจิตนั่นอีกคนก้นไปหาจิตนั่นอีกเบื่อหน่ายในจิตแล้วถอนตัวให้หลุดพ้นนี้เหมาะที่สุดทีเดียวเต็มโขแล้วยังจิตอยู่นั่นตาต้นมันอมหมดแต่หัวตอมยังมันก็จะต้องงอกต้องงดขึ้นอีกหัวต่อนั้น นี่ตัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นข้ามมันออกหมดแต่หัวต่อมันคือจิตกับอวิชชาซึ่งพัวพันกันอยู่อย่างแน่นแฟ้นนั้นยังไม่ออกได้เลยแล้วจ ะ, ะหลุดพ้นไปได้ไงหลุดพ้นไปด้วยอวิชชามีอย่างเลยเนี่ยจินทาให้สงสยยัยว่าผู้รัตนา น, นี้ไม่ใช่ผู้ที่เจ้านี้นะธงกรณีผพานมาตั้งหลายร้อยปีแล้วถึงเลยม่รัตนาขึ้นในธรรมน่าจะตัดจุดสาคัญนี้ออกอมันต้มบูนอีกทีก็ เมื่อวนนานาการตั้งห้านี้แล้วก็ต้องเบื่อนายในายจิตเห็นจิตเป็นสภาวธรรมมันคือจิตกับอวิชาวนอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งเหมือนกันใหะแยกแยะด้วยสติปัญญาให้เห็นชัดเจนตามความจริงมันแล้วมันก็ท่ากันออกระหว่างจิตกับอภิชาต่ากันออกแล้วนั้นแหละถ้าหลุดพ้นเมื่อหลุพ้นมันก็หมดปัญหาที่มีมุตมีมุตมีมุตตสุเมียมุตตมีตีงานนางห้ติไม่ต้องพูดเมื่อถึงขั้นนี้แล้ว เมจิรู้พอแล้วยันจิตก็ย่อมหยุดพ้นเมจิรู้พอแล้วยานของมรู้เท่ชาติเมจิรู้พอแล้วย่อมมีนับุูติตังพระมาจริย์กระตังกรยังการประพฤติพระมาจันได้จบิ้นเพียงเท่านี้ได้แก่การละการบําเพ็ญการละกิเลสประเภทต่างๆและการบาเพ็ญเพื่อความสลาดนั้นได้เต็มภูมิแล้วกระตังกระมียงังจิตที่ควรจะทําคือการละการบำเพ็ญที่ได้ทํำสาเร็จเนี่ได้ทําแล้ ว, ลวนับปลังอินทรียาติ ที่ทําให้ยิ่งยิ่งไปกว่านี้อีกไม่มีนีประชานาชนพอได้รู้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยสมบูรณ์นะแล้วก็หลุดถอนนี่เมื่อพระองค์ได้ปลุกพระ บ, บรรจัรคีทั้งห้าด้วยธรรมาจาักรกับพระพนารสูตรและอิยอนันตรนารักณะสูตรแล้วพระบรรจารคีทั้งห้านั้นได้ตื่นขึ้นแล้วจากหลับเป็นผู้ทรงความรู้เป็นชาคริยะทําได้แจกริด ที่มีความตื่นตัวเป็นที่เศษเป็นเอกกิจเอกธรรมเป็นธรรมอันเดียวธรรมคือจิตจิตคือธรรมธรมโอปปีโปเป็นความสว่างเหมือนประทีปดวงไฟอู่ภายในจิตใจโดยสมุนไ้เพราะธรรมทั้งสองประเภทนี้มีท่านได้ตื่นตื่นเพราะธรรมเหล่านี้ในขณะที่พระองค์ ทรงแสดงธรรมปลุกในตื่นในขณะนั้นจากนั้นก็ทรงปลุกไปเรื่อยๆจนถึงพระยศกุลบุตรแล้วเพื่อนของพระยศกุลบุตรห้าสิบหกสิบคนตื่นจนไปเดิมหนับถึงชดินพันสามร้อยคนตื่นไปเดิมหนักชดินสามร้อยคนนั้นทรงปลุกด้วยอธิษฐานายาสูตรเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้บูชาไฟบูชาเพลิง <c oughs> ถือว่าเป็นมรรเป็นผลเป็นคุณวิเศษทระองจริงได้ประธานทะโอวาทว่าอริตปรียาจะสูดรูปังพิคเวอร์ิตังรูปเป็นพร้อนรูปเป็นไฟเสียงเป็นไฟกลิ่นเป็นไฟรสเป็นไฟเครื่องสัมผัสเป็นไปตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟ กลายเป็นไฟใจนี้ก็เป็นไฟเพราะอํานาจที่เด็ดรักคาตันหามันเผาหล่นนี่ถึงลูกเวทนะทั้งถึงรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสเป็นไฟทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นไฟเดียกันทั้งหมดให้พิจารณาถ้เห็นไฟเหล่านี้ น, นี่นอริสระปริยสูตรจนกระทั่งถึงมาารณะต้นหญิงปีเดียรติชาดิน 1,300 คนบรรลุถึงขั้นอรหัตผลอย่างเต็มภูมิเพราะอริสระปริยาสูตร นี่พระ อ, องค์ทรงปลูกด้วยวิธีการอันนี้เหมาะกับจดิ์ของท่านเหล่านี้ผู้บูชาเพื่อนั้นก็ปลูกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง 45, สี่สิบห้าพันปาจึงได้เสด็จตะขันทัปปริพ่านแล้วยังประธานพระอวราชอันเป็นเครื่องแก้กีเด็ดตัญหาสวะและเครื่องหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกไว้กับโลกอันนี้ให้เป็นมรดกแก่พวกเราทั้งหลายแล้วเราเห็นอะไรเป็นของประเสริฐของดีทุกวันนี้ ยิ่งกว่าธรรมะนี่ไปแต่เห็นความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นของดีโลกทั้งหลายนี่มันดีด้วยกันแล้วไม่มีใครเลวไม่มีใครทุกข์ใครเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เต็มอยู่หัวใจด้วยกันทุกคนแต่ในขณะเดียวกันนั้นนโลกมีความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่ยอมเห็นโทษกับสิ่งนี้นนแล้วเราจะไปเห็นโทษอะไรแล้วเราจะไปเห็นคุณกับอะไรอีกต้องเห็นโทษเพื่อก่อนก่อนที่จะเห็นคุณการแก้สิ่งที่เห็น เป็นโทษเหล่านี้ไม่แก้ด้วยอดวยธรรมจะอะไรมาแก่ปุกเจ้าของปุกอย่างนี้ปลุกความโลภแก้ความโลภด้วยธรรมะความโกรธความหลงด้วยธรรมะด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราเจิตเจาใจเราจะได้รับความสงบร่้มเย็นเพราะสิ่งรุ้มร้อนทั้งหลายเหล่านี้ห่างรือจางไปจากจิตใจ แล้วก็จะตื่นไปโดยลําดับพ้นที่สุดก็ชาคระ บ, บุคคลชาคระจิตเป็นจิตที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาแม้จะหลับสักหนึ่จิตที่พ้นแล้วจากเครื่องปิดบังหรือเครื่องกดขี่บังคับทั้งหลายนั้นก็เป็นอิจเป็นชาคณะจิตเพื่อตื่นอยู่ตลอดเวลาพ้นแห่งการเราปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานอวัตตะไว้เป็นจุดสุดท้ายแห่งผลได้แก่ชาคระธรรมคือจิต ที่ลุพ้นตัวออกมาจากสิ่งปกปิดกำบังแล้วแสดงตัวออกอย่างเปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องความประเสริฐของคนก็ประเสริฐที่ตรงนี้ความสูงสุดในมุิพันิภัณก็สูงสุดที่ตรงนี้ไม่มีสูงสุดที่ตรงไหนไม่ว่าใครจะไปโลกพรทิดพระจันทร์พระอังคารไปไหนก็ไปเถอะซึ่งยูจัดว่าอยู่ในวิสัยของไใจโลกธาตุหรือโลกสมมติที่ด้วยกันแล้วจัดว่าเลิดไม่ได้ แต่ถ้ากินได้พ้นจากธรรมชาติที่กดท่วงตัวเองมาไปานานและโผล่ตัวออกมาเป็นอิสระเสรีอย่างเต็มภูมินี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้เลิศท้ายจะไม่ว่าเลิศก็าตามธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติเลิศที่เลิศอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนความเลิศอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรที่จะมาเสกสรรปั้นย้อนหรือกดขีบ่บังคับแต่เป็นความเลิศอยู่โดยหลักธรรมชาติไม่มีใครจะไปกดขี่บังคับได้นี่แหละชาะละธรรมพระพุทธิยถา ปุกสารโลกให้ตื่นได้อย่างนี้แหละขอให้ท่านทั้งหลายนำมาพิิจพิจารณาเราสมควรอยู่แล้วด้วยกันทุกคนกับทําเหล่านี้อืเราสมควรกับทําเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นอยู่ด้วยกันทุกคนถ้านํามาประทิธติดตัวเป็นเครื่องมือเราก็แก้มาได้โดยลำบากการจะยังทํามเปเห็นว่าสมควรอยู่เพียงยู่เพียงอยู่เพียงเข้านี้เอาละ